ข่าพุทธวสวัสดีนะคะท่านฟังที่เคารพรับดิฉันสันสณีนาพงจะมาสนทนาธรรมกับพระมหาภัยบุญอภิปุลโลในเวลาของรายการสันสณีสนทนาสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอ1เ6็มร้อยหกให้ท่านได้เพิ่มเติมความรู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราและก็ได้ปฏิบัติซึ่งเป็น สาระสําคัญที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์นะคะจะต้องเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองเพราะจะรู้ได้ด้วยตนเองด้วยค่ะเรามาเริ่มต้นการปฏิบัติกันภายใต้การนําของท่านพวฒิเนารกาลสุดลิขรเณรวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีพระมหาไภัยบุย์อ ภ, ภิปุนโนนะคะกราบนมัส ก, การค่ะอาจารย์เจิญพาน เราเริ่มการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมกันซะก่อนแต่ก่อนที่เราจะเริ่มการปฏิบัติธรรมให้พวกเราทั้งหลายมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์เพราะว่าการที่เราตั้งศรัทธาของเราขึ้นไว้เนี่ยศรัทธาคือพระรัตนตรัยจะทําให้เรามารู้อริยสัจสีได้นะทํำยังไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้กับอุปราชอมาร์กุลหนึ่ง บอกว่าการที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วจะสามารถมารู้อริยสัจสีได้ที่พึ่งนั้นก็คือให้มีศรัทธานั่นเองศรัทธาที่เราตั้งไว้ในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จะไม่เกิดการทําจริงแน่แน่จริงศรัทธาตรงนี้คือพระทําให้เกิดวิริยะคือความเพียรวิริยะมีความเพียรแล้วทําจริงแน่แน่จริงแล้วสติของเราจะตั้งขึ้นสติของเราตั้งขึ้นแล้วจะทําให้เรามีจิตที่เป็นอารมณ์ันเดียว เป็นสมาธิได้จิต ท, ที่เป็นอารมณ์มันเดียวนี้เวลามีสิ่งใดมากระทบแล้วเราจะไม่ได้ไปโอนเอียงชอบพอใจในสิ่งที่น่าเพลินใจกระยขยัในสิ่งที่ไม่น่าพอใจคือจะเห็นได้ตามที่เป็นจริงเป็นปัญญาเกิดขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคืออินทรีย์5้าอย่างนี้จะเกิดขึ้นในจิตของเราจากการที่เราตั้งศรัทธาไว้มาระลึกตือนระพุติประถมและประสงค์ ทีนี้ในอินทรีย์ห้าอย่างนีนะ้บุคคลที่ปฏิบัติมาในทางคาสอนของรพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องรู้จักการปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอเสมอกันเรื่องนี้รพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้กับท่านพระโซนะที่ท่านทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมมากสีจนเท้าแตกทำให้ทางเดินจงกรมของท่านเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดจนมีสีแดงเหมือนที่ข้าโกแต่ก็ยังไม่บรรลุนะัทธาถ้าบอกว่าเรามีมากเกิน แต่มากเกินกําลังของสติที่จะคุมอยู่ไว้ได้สิ่งที่เกินนั้นมันจะทำให้เป็นความลุ่มหลงเป็นความงมงายเป็นความหัวปักหัวปำเป็นความยึดถือในครูบาอาจารย์บ้างยึดถือในพระพระุทธศาสนาบ้างถ้ามันมากเกินกําลังของสติวิรยิยะนี่ถ้ามากเกินเกินกําลังของสติเหมือนกันก็จะทําให้เป็นลักษณะของท่านพระโสนานี่แหละมีจิตฟุ้งซ่านมีความแข็งกระด้างทําให้จิตนั้นไม่ อ่อนเาะเพราะว่ามีความเพียรมากเกินไปแต่ไม่เกิดความฟุง้งซ่านสมาธินั้นถ้ามากเกินไปนะมากเกินกําลังของสติมันก็ทําให้เกิดความเกลียคร้านทําให้เกิดความที่แบบอยู่แช่แน่อยู่อย่างนั้นไม่ได้จะเป็นการเห็นตามที่เป็นจริงได้ปัญญานี้ถ้าบอกว่ามากเกินไปก็จะทําให้จิตนั้นเป็นความเครือบแคลงเห็นแยง้งยกตนข่มท่านเห็นเป็นความเป็นตัวตน เป็นความยึดถือตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามากเกินไปตรงนี้มากเกินอะไรคือมากเกินกําลังของสติที่จะคุมอยู่เพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจึงจะต้องตั้งขึ้นสตินั้นถ้ายิ่งมากยิ่งดีหมนะายควายิ่งมากยิ่งดีหมายความว่าเราก็จะรู้ว่าศรัทธามันอ่อนไปไหมความเพียรอ่อนไปไหมสมาธิหรือปัญญาอ่อนไปหรือไม่อย่างไรถ้าอ่อนเราก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้ามากแล้วสติเราก็จะต้อง ให้มีกําลังมากขึ้นด้วยวิธีการตั้งสตินั้นก็ศรัทธานี่แหละเรามีศรัทธาเระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําจริงแ น, แน่แน่จริงสติก็มีกําลังขึ้นตามกระบวนการของพุตานุสติตามมานุสติสังการนุสติะเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าระาลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์เนี่ยสติของเราตั้งขึ้นพอมีสติตั้งขึ้นแล้วนจิตมันก็จะเริ่มเป็นโวสาการมคือมีอารมณ์อันเดียวเวลามีอะไรมากระทบแล้วมันก็ เดดเดียวหลีกไปของมันได้แต่าไม่เห็นตามเป็นจริงได้อินทรีย์ทั้ง5้านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราทําให้มีความแก่กล้าแล้วจะสามารถที่จะบรรลุทำได้เร็ว แ, แล้วพอเรามีปัญญาเห็นแจ้งตามจริงแล้วเนี่ยยิ่งทําให้มีความมั่นใจในทางคําสอนว่าโอ้ธรรมะอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไวเนี่ยเราเห็นแจ้งถูกต้องทํานั้นด้วยปัญญาแล้วแล้วก็อยู่ในธรรมนั้นได้เป็นความศรัทธาขึ้นมา ยิ่งทํายิ่งเกิดยิ่งทํายิ่งดีทําให้การปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้าการตั้งสติด้วยการที่เราให้มาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้นะมันจะเห็นอยู่ในกระบวนการของพละหอินทรีย์าในตรงนี้อยู่ได้พอเราจเจริญตรงนี้ไปเนี่ยมันเหมือนเป็นน็อตที่เราขันเกลียวไปเรื่อยๆขันเกลียวไปเรื่อยๆนะหมุนวนขวาไปมันก็แน่นเข้าแน่นเข้าถ้าหมุนวนซ้ายามันก็ตอหนอกตอหนอก เราทำตามกระบวนการมรแป8กระบวนการของพระ5และอินทรี5้าสามารถที่จะทำให้จิตของเรานั้นเข้าใกล้สูญิพานได้ในการปฏิบัติในเรื่องนี้สามารถที่ทำได้ตลอดทั้งวันทำบูฟังฟังตามไปด้วยก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไปและมีสตา์ในทางคำสอนมีการปฏิบัติที่มั่นคงมั่นใจจะทำให้เราไปไกลไปสู่นิพานได้นั่นเองเจริญพรใช่ทุค่ะ นะคะแล้วเราก็ใช้ศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้านั้นมาฟังการสนทนาธรรมโดยใช้คำถามของเพื่อนผู้ฟังรายการของเราทั้งหลายเนะคะเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเราได้รับปัญญาไปพร้อมๆ ม, มกันวันนี้เป็นคำถามของคุณดุสยาเช่นเคยนะคะซึ่งได้ถามมาคำถามแรกก็เกี่ยวกับการละ สังขารของพระอรหันต์ค่ะว่าเมื่อพระอรหันต์ละสังขารแล้วนั้นจิตของท่านจะไปอยู่ที่ไหนคะอืืออันนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยในสมัยพุทธกาลค่ะเดี๋ยวก็คนนั้นมาถามพระพุทธเจ้าเรื่องนี้แหละว่าพระอรหันต์เนี่ยคือคือเขาจะใช้คําว่าจิตของท่านผู้พ้นวิเศษแล้วนะเขาใช้คานี้จิตของท่านผู้พ้ว น, ะนพวิเศษแล้วเนี่ยจะไปอยู่ในที่ใดจะไปเกิดในที่ไหนเขาใช้คำนี้ พระบุรุษาเขาบอกว่าใช้คํานั้นไม่ได้แต่ว่าไปเกิดไม่ไม่ถูกไม่ถูกอผู้นี้เขาเรียกว่าปริวาชกที่ชื่อวัชะก็เลยถามว่าเอางั้นไม่เกิดเหรอจะไม่ไปเกิดในที่ไหนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช้คําว่าไม่เกิดไม่ได้ไม่ได้แต่คํานี้ไม่ถูกเอางั้นจะใช้คําว่าบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดได้เปล่าจะบางทีอาจจะเกิดบางทีอาจจะไม่เกิดพระบริจชาเขาว่าไม่ได้ใช้คํานี้ไม่ถูก เอนี้จะเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ใ ช, ใช้คํานี้ก็ไม่ได้แต่มันมั น, ม, นมันใช้ไม่ได้เอาทำไมเป็นอย่างนั้นปฏิปาโชคนี่เขาก็งงมากเลยตอนแรกคิดว่าจะมากุยถามธรรมากอะไรพพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้แล้วก็เลยงงมากพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายให้ฟังนะว่าเอาเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนไฟมาเอาไฟมากองหนึ่งเอาเอาเทียนนี่แหละนะเทียนตะวบฟังจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่ง แล้วก็จุดไฟเข้าไปใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเาทียนเล่มนี้แล้วก็มันก็เทียนมันก็กินไสเ้เปลวไฟมันก็กินไส้เทียนไปเรื่อย ๆ, ๆใช่ไหมจนกระทั่งมันหมดด้ามแล้วหมดแท่งเทียนแล้วเนี่ยเปลวไฟนี้ก็จะค่อยๆดับไปดับไปใช่ป่ะท <Okay. S 1> ีนี้พอเปลวไฟที่มันดับไปดับไปแล้วก็จนมันหมดเลยแล้วมันก็หายไปเนี่ยเราเราจะบอกได้ไหมว่าเปลวไฟเนี่ยมันไปทางไหนไปทางเหนือไปทางใต้ ไปทางอีสานหรือว่าไปทางตะวันตกตมันบอกไม่ได้เลยนะอ้าทำไมบอกไม่ได้ละ่ะคือมันไม่ควรจะใช้คำว่าไปทางไหนเพราะมันก็แค่ดับไปปนะริภาชก น, นี้ก็บอกเพราะนั้นพระบริชจาก็เปรียบเทียบกลับมาให้ฟังว่าจิตของผู้ที่พ้นวิเศษแล้วเนี่ยจะบอกว่าไปที่ไหนเนี่ยมันใช้คำนี้ไม่ได้จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยใช้คานี้ไม่ได้นะเหมือนกับเปลวเทียน ที่ว่าพอมันดับไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันไปทางไหนนะ่ะมันใช้คำนี้ไม่ได้เพราะว่ามันก็แค่ดับไปนะ <c oughs> อ่าก็เหมือนการจิตของท่านผู้พ้นวิเศษแล้วเนี่ยก็ดับไปทำไมเพราะเหตุมันดับไปเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะพระพุทธเจ้าว่านะี่ยไม่ใช่จะหยั่งลงได้ด้วยการตริตรึกเนะ่เป็นของบัณฑิตวิสัยนะ่รู้ได้ด้วยการปฏิบัติเอานะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าโดยทางเทคนิคนะ ตาบคาถามของคุณดุษฎีาว่าพระอาหารหันต์เมื่อละสังขารแล้วดวงจิตของท่านไปอยู่ที่ไหน <c oughs> ก็ไม่ควรจะบอกว่าใช้ว่าไปอยู่ที่ไหนแต่ดวงจิตของท่านนั้นก็ดับไปเฉยนะครัว่าดับเย็นนี่คือนิพพานแลนิพพานแปลว่าเย็นมันดับไป <c oughs> แล้วมันเย็นแล้ว <c oughs> ค่ะอ่างั้นเข้าใจว่าท่านต้องเพิ่มเติมแล้วล่ะคะ่ะว่าเพราะพระอาหารหันต์เป็นใครล่คะค่ะ <c oughs> ยิอคําถามแบบทั่วไปไม่ได้อพ้นวิเศษคําว่าพ้นวิเศษเนี่ยคือพ้นแล้วจากราคะพ้นแล้วจากโทสะพ้นแล้วจากโมหะนะคำว่าพ้นแล้วจากราค า, าโทสนะาาโมหะเนี่ยคือในจิตของท่านนะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วนะคือพน้นตรงนี้นะทำให้การที่จะไปเกิดอีกไม่มีนะคือจบไปค่ะคุ้นไหมคะท่านฟัง่ง เป็นผู้ไกลจากกิเลสเออดันละเท่ากับพ้นกิเลสแล้วก็คือเป็นผู้ที่อย่างงี้ได้นิพพานแล้วถูกไหมคะถูกต้องพ้นกิเลสนะะิพพานเนี่ยแปลว่าดับนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นค่ะดังนั้นถ้าคนอ่านคำถามไม่ละเอียดก็อาจจะต้องตอบอีกแบบหนึ่งเหมือนกับตอบว่าคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เมื่อตายแล้ว จิตไปไหนคะท่านคะจิตก็จะไปตามกรรมถ้าทํากรรมที่เป็นอกุศลนะผลของอกุศลที่อยู่ในจิตนั้นตามการกระทํานะกรรมกรรมในกิจการกระทำใช่ไหมจิตนี้มีอกุศลสองสมอยู่ในจิตเนี่ยมันก็ไปตามการกระทําที่เป็นอกุศลที่คุณทํามามันก็จะไปไหนมันก็จะไปที่ที่จะเป็นลักษณะว่ามีอกุศลธรรมนั่นคือความเบียดเบียนความาทะเลาะกันความแข่งแย่งกัน ก็จะเป็นอบายซะส่วนใหญ่อบายนี่คือภพที่ต่ำนี่คือเพราะอัติศุมันเบียดเบียนกันใช่ไหม mm hmm. การพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในภพที่เป็นลักษณะนั้นก็คือนรกกำเ น, นิดดัฉานเปรย์ิสัยตามความรุนแรงของกรรมที่คุณทามาในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าคุณทำกรรมที่เป็นกุศลแลรวทมาอย่าเช่นช่วยเหลือการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล อ, อบอ้อมอารีให้ทานรักษาศีลพวกนี้เป็นกรรมนะเป็นกุศล น, นะใช่ปะสร้างสมอยู่ในจิตแล้ว จิตนี้ก็ไปตามการการะทำไปตามการรมนั้นไปที่ไหนก็ที่ที่มันเป็นแบบเนี้ยที่ที่มันจะมีการให้ทานที่มันจะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากาันก็จะเป็นมนุษย์หรือว่าสวรรค์เป็นส่วนมากก็จะไปสุคติโลกสวกรรค์ก็จะใช้คำนี้ถ้ากบว่าตราบใดถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เมื่อเสียชีวิตแล้วตายแล้วละสังขารไปแล้ว ม, มีที่ไปต่อแน่นอนตามกรรมถูกต้อง ก็นมัสการขอบพระคุณท่านสําหรับคําถามแรกยังมีคําถามต่อไปอีกนะคะเจมพัน <10, 000. S 2> คุณดุสยาถามว่าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติแล้วเล่าว่าได้พบพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พอจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรคะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะคือเราต้องแยกเป็นเป็นทีละเรื่องก่อนน ะ, ะ, ะเรื่องแรกพระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกับควานช้าง ที่ออกไปหาช้างช้างตัวใหญ่มากเป็นเป็นช้างเรียกว่าช้างมหานาคทีนี้ว่าควานช้างตัวนี้ก็ไปเจอรอยแทกงานรอยสีตัวรอยเท้าอะต่างๆของช้างควานช้างเนี่ยจะยังไม่ถึงความมั่นใจก็เรียเป็นนายพรานช้างเนี่ยยังไม่ถึงความมั่นใจหรอกว่านี่เป็นช้างที่เขามาหาจริงๆจนกระทั่งไปเจอตัวมันจริงๆถึงจะถึงความมั่นใจได้คําว่าช้างเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับ มีความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทโธจริงๆพระธรรมเป็นสบัสดิาตาจริงๆพระสงฆ์เนี่ยเป็นสุปฏิปันโนจริงๆนี่คือความมั่นใจตรงนี้เพราะงั้นก็คือคนที่ก็ปฏิบัติถึงสุดแล้วเนี่ยแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระพุทธเจ้าแน่นอนพระธรรมคือพระธรรมพระสงฆ์คือพระสงฆ์แน่นอนจะอยู่ในใจของเขาคือพุทโธธรมโมสังโฆเนี่ยจะอยู่ในใจของท่านคือพระอรหันะจะมีพุทโธธรมโมสังโฆอยู่ในใจตรงนี้ตรงนี้ทําให้ท่านอาจจะ เห็นนิมิตต่างๆมีความเข้าใจในพระพุทธเจ้ามากที่บอกว่าเห็นธรรมจึงเห็นเราเห็นเราจึงเห็นธรรมเนี่ยน ะ, ะก็คือพอคุณเห็นธรรมขั้นสูงและสังโยชน์ได้หมดรู้ถึงนิพพานแล้วเนี่ยคุณจะเห็นพระพุทธเจ้าคําว่าเห็นตรงนี้แล้วคือมีพุทโธอยู่ใน ใ, นใจแต่ในทางในพระสุทที่สองพระพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากที่พระองค์ปริบิติพานไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครได้เห็นกายของพระองค์เลย อันนี้สองพระสูตรนี้ดูเหมือนขัดกันนะเหมือนขัดกันอ่าเหมือนขัดกันเราก็ต้องดูให้ดีเพ่งให้ดีนะว่าไหนคือตรงไหนกันแน่นะที่พระสูตรที่สองที่บอกว่าพอพระองค์ปริินิพพานแล้วเนี่ยจะไม่มีใครเห็นกายของพระองค์ o N G. นะคือร่างกายนี้จะไม่มีใครเห็นอีกจะไม่ได้มีการที่มาดูว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้รูปร่างเป็นอย่างนี้จะไม่มีละจบละนะคือจะไม่เห็นแต่จะมีการเห็นธรรมะคือเห็นพระพุทธเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์ตัวเนี้ย เนื่องจากคุณธรรมที่มีอยู่ในใจนนี้เห็นแน่นอนเห็นด้วยดวงตาคือธรรม ะ, ะนั่นคือธรรมะจากสุเพราะฉะนั้นเวลาเห็นด้วยดวงตาคือธรรมะเนี่ยบางทีก็จะเป็นนิมิตต่างๆไงนต่เมื่อท่านเอามาเล่าให้ฟังอันนี้อันนี้เป็นไปได้แต่จะไม่ใช่กายพระพุทธเจ้าแน่นอนนะ่ะค่ะซึ่งที่นั้นเองก็เคยได้ยินนะคะเพื่อนผู้ปฏิบัตินะคะอืมก็บอกว่ามีความปลื้องปิติอย่างยิ่งเมื่อได้ ไปปฏิบัติธรรมในแดนพุทธภูมิอืแล้วได้เห็นพระพุทธเจ้านัา่นแหละมันก็กจะเป็นนิมิตของเขานี่ไงนิมิตของเขาครับไม่ได้ผิดใช่ไหมค ะ, ะก็ก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดเพราะว่าก็มีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าใช้ความหมายคําเนี้ยได้หลายอย่างเห็นนี่อะไรทิฏฐิก็เห็นเห็นนี่กระดวงตาธรรมะก็มีอย่างเงี้ยนะค่ะก็คือ ถ้าฟังตามที่ถ้าอาจารย์ได้ยกสองพระสูตรขึ้นมาก็หมายความว่าพระพุทธองได้ตรัสก่อนปรินิพานอย่างชัดเจนแน่นอนว่าอกายของท่านเนี่ยดับไปอืแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะยังคงได้เห็นอยู่ก็คือธรรมะที่ท่านได้แสดงไว้ได้พบและได้แสดงไว้อืและท่านก็บอกว่านั่นเสมอด้วยการเห็นพระพุทธองเองใช่ ะะทําให้เราก็เห็นน่ยปรางพระพุทธรูปแต่และยุคละสมัยก็ไม่เหมือนกันในสมัยเดียวกันก็จะมีความแตกต่างในรายละเอียด ก, ก, ก็อย่างที่ว่า น, นี่คือเขาก็แบบคือทําเป็นรูปออกมาให้เรา <Okay. S 1> เราสื่อได้แต่ในใจเราเนี่ยเราสื่อได้แน่นอนแล้วทีฉันก็มีความคิดอย่างนี้นะคะทีฉันคิดเป็นกลางอืว่าใครจะเห็นอย่างไรจะสมมุติเป็นรูปอย่างไรอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่น่าจะ ยกมาเป็นปัญหาเนี่ยคคิดอย่างนี้นะคะใช่ใช่ที น, นี้เข้าใจถูกน ะ, ะมันอยู่ที่ว่าเนื้ อ, อธรรมะตรงเนี้ยที่จะจะสื่อเข้าไปในใจของเราเนี่ยใจเราจะสัมผัสได้อย่างไรผ่านทางตาเนี่ยนี่มันสําคัญกว่าค่ ะ, คะและดิฉันเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านนะคะก็ได้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงในกรณีที่เมื่อการปฏิบัติเนี่ยมันเกิดสมาธิแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้น จิต ท, ที่เป็นสมาธินั้นจะนาไปสู่การเห็นธรรมะในลักษณะต่างๆราะรวมไปถึงอาจเห็นนิมิต ด, ด้วยซึ่งท่านบอกว่าก็ต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่เห็นนะมันเป็นการปรุงแต่งของจิตหรือไม่เพราะถ้าหากว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตแล้วไปเพลิน กับสิ่งนั้น น, นอ่าไม่ได้พิจารณาแบบวิปัสนาแค่คำนี้นะค ะ, uh huh. ะก็ก็ไม่น่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นควรจะใช้ประโยชน์จากการเห็นนิมิตนั้นในทางพิจารณาแบบวิปัสนาอันนี้ค่ะที่ยังขอให้ท่านไฟบุญได้ได้ช่วยอธิบายในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติเนี่ย น, นะคะ ว่าคำกล่าวอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่แล้วในในความเข้าใจของคนทั่วๆไปที่ยังอาจจำแหนฟังแล้วไม่เคยรู้เรื่องคืะขยายความให้หน่อยอย่างเงี้ย ค, ค่ ะ, ะคาว่านิมิตก็หมายถึงเรื่องหมายหมายเรื่องหมายอาจจะหมายถึงป้ายบอกทางหรืออาจจะหมายถึงเข็มกลัดติดหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยคือก็เรียกเป็นนิมิตได้หมดเป็นนิมิตได้หมดแล้วทีนี้คาว่านิมิตนี้ เป็นการปรุงแต่งของจิตเป็นการปรุงแต่งของจิตอย่างที่คุณโยมติว่าเนี่ยแะน ะ, ะแต่ให้เร า, เ, าเห็นภาพบ้างได้ยินเสียงบ้างาหรือมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นนิมิตได้หมดทีนี้พอมีการปรุงแต่งของจิตแล้วนะพระพุทธเจ้าให้ทํำยังไงเรามาดูที่ตัวแม่บทในอานาปานสะติสูตรเนี่ยก็จะบอกว่าให้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตก็คือให้มีส ต, ติตั้งเอาไว้แล้วก็ทําการปรุงแต่งของจิตให้ระงับ แล้วก็มีสติตั้งเอาไวาน้นี่คือหลักการที่สําคัญคือพอมีการปรุงแต่งของจิตแล้วเราไม่ตามมันไปในที่บอกว่าไม่เพลินไปในนั้นเนี่ยคือไม่ตามมันไปเองคุณไม่ตามไม่เพลินทําไงต้องตั้งสติตขึ้นพอมันมาอะไรที่มามันมีมาแล้วมันไม่ดับไปหรือมันไม่มีมันก็จะต้องดับไปสักวร า, าวระใดวาระหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยของมันการปรุงแต่งของจิตมีมาการปรุงแต่งของจิตนั้นก็ดับไปเราก็ต้องตั้งสติเอาไว้เหมือนกัน เหมือนเดิมอยังตั้งสติไว้เหมือนเดิมทีนี้การปรุงแต่งของจิตนะกับสติเนี่ยนะคุณโยมติ๋วคือสติเนี่ยคือมกักแผทั้งหมดเลยเป็นสังคตธรรมนะค่ะนะคื อ, อทำการปรุงแต่งสังคตธรรมกับจิตตสังขารมันก็เป็นสังขารเหมือนกันอันนี้นี่อันมาจะจะชี้ประเด็นให้เห็นหนิดนึงนะค่ะว่ า, าทำสังคตธรรม กับจิตตสังขารก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันโอเคไหมค่ ะ, ะสังกตรธรรมมีอะไรบ้างโอ้เยอะแยะไปหมดมาร์กแก็เป็นหนึ่งในนั้นมาร์ก8ก็เป็นหนึ่งในนั้ น, กก น, น, น, น, นแต่มาร์กเนี่ยเป็นหนึ่งในสังกตรธรรมที่จะทำให้เกิดความระ ง, งับของสังขารนั่นเองค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นเราตั้งสติขึ้นเนี่ยเป็นสังกตธรรมนะสติเป็นสังกตรธรรมนะ ส, สังคตรธรรมในที่นี้ แปลตรงตัวเลยอืก็คือทำที่มีการกปรุงแต่งจ่งายนะครับท่านผู้ฟังค่ะแค่นี้ค่ะที่ฉันต้องการที่จะให้ท่าที่ยัง ง, งงงอยู่ว่าสังคตธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นจากที่ถ้าเราไม่มีสติเนียเราไม่มีสติเราทําให้มันมีสติขึ้นมาอันนี้คือคุณปรุงแต่งแน่นอนแต่มันไม่เหมือนกับปรุงแต่งที่แบบไปนในทางบ้าบอไงมันไม่เหมือนปรุงแต่งไปตามเสียงตามภาพอะไรเงั้ยแต่เป็นการปรุงแต่งไปทำมาร์กแปดโอ้มันเลิศนะ มาร์กแปร์ในพระพุทธเจ้าบอกว่าจึงเป็นยอดของสังฆต ธ, ธรรมเพราเป็นปรุงแต่งไปตามทานที่มันจะไม่เกิดความระงับของสังขารนั่นเองแตาไม่เกิดจิตตาสังขารระงับไปถ้าคุณปรุงแต่งแล้วทาให้สติเกิดจิตตาสังขารนั่นแหละก็จะระงับไปอันนี้มันจึงดีตรงนี้ค่ะนะคะก็เพิ่มเติมให้หน่อยนึงทีนี้เดี๋ยวจะไม่ไปถึงคําถามถัดไปซึ่งควรจะจบวันนี้ก็คือคําถามที่สาม ของคุณดุสิยานะคะาถามว่าผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีรูปร่างสวยงามแต่กลับเป็นใบ อ, อยากทราบว่าเป็นผลของกรรมที่ทำในเรื่องใดคะแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของวิบากกรรมแต่ละอย่างไว้หรือไม่เช่นความพิการความยากจนการเจ็บป่วยโอเคถ้าพูดถึงโดยพุทธพจน์หลักฐานดังปฐมภูมิเนี่ยน ะ, ะที่ที่ตามพระสูตรแล้วก็เป็นพุทธพจน์โดยตรงเนี่ย ท่านจะพูดรวมๆถึงคนที่มีความพิการง่ายเปรี้ยเสียขาหลังค่อมตาบอดเป็นใบรูปไม่สวยไล่ไปไล่ไปนะตีตัวอย่างตัวอย่างเนี่อันนี้เป็นผลของการที่คุณทํำคำรรช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นผิดศีลเป็นต้นไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งคือทํำคำรรช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งผิดศีลแล้วคุณจะไปตกนรกก่อนแตนะ่พอตกนรกจนเต็มที่ละเนะี่ยมันเบาบางลง ก็จะมาตกนรกขมที่มันน้อยๆหน่อยเช่นอาไจีมาหานรกแล้วก็จะมาโลหะกลุ่มปีนนรกแล้วก็จะมาที่โลหะวานรกไลขึ้นมาไลขึ้นมาแล้วก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนแต่พอมันเบาลงนะเบาลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนพอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วพอมาเป็นมนุษย์เนี่ยพอมาเป็นมนุษย์ก็จะเจอสภาวะแบบที่ว่านี้คือเป็นใบบ้างยากจนบ้างเกิดในสกุลต่ำบ้างรูปไม่สวยบ้าง อันนี้แล้วแต่ว่ากรรมมันจะมาทางด้านใดด้านใดนด้านหนึ่งะจะไม่ได้เจาะจงลงไปนะว่าอันไหนจะมาก่อนมาหลังอันนี้ก็จะเป็นคงเป็นเรื่องที่พยากรณ์ได้ยากหรือไม่ก็ท่านก็พูดรวมๆไปเพื่อให้เห็นภาพเฉยอันนี้ก็จะมีคำอธิบายอื่นๆละอีกมากมายนะเช่นว่าถ้าคนรูปสวยนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ไปโกรธเกลียดคนื่นเขา อนี้มีปฏิปทาที่ทําให้ถึงความมีวันน่างามจะตรัสไว้ถึงความที่ไม่เปโกรกรงคนอืนเก้ี่ก็อย่างหนึ่ง 2. นี่ก็เรื่องศีลอันนี้ก็ได้แต่เรื่องเป็นใบไม่ไม่ได้มีเฉพาะเจะจงลงไปความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะพูดรวมๆว่าเป็นเพราะว่าจากนรกคุณไปสัตว์นรกมาก่อนหรือคุณมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้กรรมมันยังให้ผลเศษกรรมยังมีอยู่ก็จะ ทำไม่มีความไม่ปฏิปต่อนะแต่ไม่มีความไม่ต่อเนื่องของร่างกายอย่างนี้บ้างอ๋อค่ะก็ถ้าจะสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเขาคงจะต้องทํากรรมบางอย่างมาดีที่ทําให้เกิดสวยงามถูกไหมคะใช่แต่ก็มีวิบากบางอย่างที่ทําให้เป็นใบ้ใาอย่างยู่อพระพุธองได้ตรัสไว้เนี่ยก็เคยไปเที่ยวนรกมาก่อนแล้วแน่นอนแล้วก็ติตื้นขึ้นมาหน่อยนึงอ คือมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วถึงมารับกรรมในลักษณะต่างๆใช่แต่สรุปแล้วก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วดิฉันจะเอาไปเข้าพระสูตรนี่ได้ไหมคะเนี่ยว่ากายเนี้ยกายที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นกรรมเก่าอืมเข้าเข้าหลักอย่างนี้ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะคืออ่าบางคนก็จะมาเมื่อหรือมาสว่างไม่เหมือนกันค่ะแต่วันเนี้ยกรรมเก่านะมันก็ปรากฏมาแล้วคือมันเกิดแล้วใช่ใช่เราก็ อย่าไปกังวลกับมันมากเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดใช่ประเด็นคือตรงนี้ว่าไม่ว่าคุณจะมามืดนะหรือมาสว่างก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่างก็ตามคุณไปสว่างได้ค่ ะ, ะคําว่ามามืดเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเลยนะยกมาทั้งเซตเลยเเกิดมาสกุลต่ํายากจนง่อยเปรี้ยเสียขาหลังคอมตาบอดโอ้แบบหมดเลยเนี่ยนะคือคุณเกิดมา มืดนะ ค, คุณเกิดมามืด เ, เกิดมาสว่างไปยังไงโอ้ยอะไรดีๆเนี่ยยกมาหมดรูปงามร่ํารวยมีความรู้ทุกอย่างดีเลิศหมดไปสว่างหมดทั้งสองอย่างไม่ว่าจะสว่างหรือมืดเนี่ยนะคุณไปมืดก็คือทําชั่วทําอกุศลธรรมต่างๆแต่ทั้งสองประเภทเลยนะก็ไปสว่างไดนะ้คือสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้ไปในทางดีทางสูงได้ค่ะ การนี้เป็นกรรมเก่าคือสิ่งที่กระทำไปแล้วแล้วส่งผลให้เป็นเช่นนี้และสิ่งที่ท่านไปบูนได้ยกประสูตรเพราะว่ามามืดไปสว่างได้หรือมาสว่างก็ไปมืดได้เช่นเดียวกันเนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเมื่อมาแล้วในลักษณะใดก็ตามทีจะสร้างการกระทำเช่นไร ที่จะทําให้ได้ผลในการไปในแต่ละแบบค่ะจะสว่างหรือมืดก็คือสรุปแล้วก็ให้ทําดีในขณะนี้และทําดีในลักษณะที่จะทําให้กลับเป็นสว่างมืดมืดสว่างสว่า ง, างนี่เป็นสิ่งที่พระพุทโธใช้ถ้อยคํานีต้ตรัสไปเลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องถูกต้องเป็นทุพตเลยกับอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันจําได้อะไรนะคะเดำีำดำ๋ยวอกําดํากําขาวขาาวอ่ใช่อันนี้ก็เหมือนกัน แล้วก็มีกรรมไม่ดำไม่ขาวเกินไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้ก็ด้วยเพิ่มเป็นหกอย่างจากสี่อย่างเป็นหกอย่างค <fazer. S 2> ่ะและการที่จะปฏิบัติจากดำเป็นขาวจากมืดเป็นสว่างพอที่จะบอกก็คือว่าสว่างหรือว่าขาวเนี่ยคือสว่างหรือขาวเนี่ยนะ <c oughs> ก <c oughs> ็คือกุศลธรรมต่างๆจะเป็นกายวาจาใจเป็นสุจริต อันนี้คือจะเป็นสว่างและขาว <Okay. S 1> แล้วถ้าจะเฉพาะจอดโจงมาไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะอันนี้ก็คื อ, เ, อเป็นมรคแปดนะก็คือเอาถ้าสมมติเราพูดสว่างหรือขาวเนี่ยคือต่อให้คุณจนคุณก็ปฏิบัติมรค8ได้เอาเพูดง่ายต่อให้คุณรวยหรือจนสวยหรือไม่สวยคุณก็ทำกุศลและทำได้ไงเพราะฉะการกระทำกุศลและทำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณมามืดหรือมาสว่างหรือไม่ได้คุณที่บอกคุณอยู่บ้านจนหรืออยู่บ้านรวยมันไม่ได้ประเด็นไม่ได้อยู่นั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะทํำไหมกันนี่ค่ะแปล ว, ว่าท่านกำลังจะบอกว่าเรื่องเงินทองไม่สําคัญควา ม, มรวยไม่สําคัญในการที่จะทํากุศลไอ้แล้วที่เขาบริจาคเงินกันเยอะๆแล้วค่ะแหมบางทีอิจฉาเพื่อนเนี่ยสร้างพระที่สิบล้านอิจฉาเนี่ยไม่ดีและถามว่าเราควรจะบริจาคเท่าไหร่ ก็ถ้าคุณมีกุศลธรรมใช่ไหมเราก็จะรู้จักแบ่งใจทราบตามที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมเราแบ่งใจมาแล้วเหลือเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นน่ะแล้วที่ว่าไปอิจฉาเขาเนี่ยนี่จะทำให้เป็นผู้ที่มีพิพันณเจ้าหมองนะเออเราก็อย่าไปอิจฉาเขาเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ทำนี่มันกุศลอยู่แล้วให้ทานนี่มันดีอยู่แล้วค่ะนะคะนั้นก็แปลว่าท่านพิบูลได้นำเอาความรู้ของพระพุทธองค์เนี่ย มาบอกท่านทั้งหลายแล้วนะคะว่าหวังผลอย่างไรเราก็ปฏิบัติสร้างเหตุซะให้ถูกจะได้ได้ผลอย่างที่หวังถ้ า, าหวังอยากที่จะมามืดแล้วก็ไปสว่างกว่าเดิมก็ปฏิบัติกุศลธรรมแต่ถ้าอยากจะถึงขนาดที่ไม่ต้องเกิดมา มืดมั่งสว่างมั่งหรือสว่างก็ไม่อยากเกิดแล้วนี่ก็เดินตามมรรคแปดให้สมบูรณ์เยี่ยมปานค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะทีเดียวนะคะเนี่ยจากการถามคำถามของคุณดุสียาถ้าากว่าท่านฟังติดค้างอย่างไรนะคะที่จะถามคำถามของท่านเองแล้วการถามคำถามเนี่ยดิฉันถามจริงนะคะท่านคะเยี่ยมปานคนถามที่ได้บุญไหมคะ อ๋อได้บุญสิได้บุญส่วนที่ว่าเป็นปฏิปทาที so hn, ่ทําให้เกิดปัญญาอันนี้ได้บุญแน่นอนเพราะว่าถามเนี่ยนะคะอืมใช่มีข้อปฏิบัติของบริษัทคือพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทเนี่ยค่ะท่านบอกว่าปฏิปทาที enfin ่ทําให้เกิดปัญญาเนี่ยคือเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ถามว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งใดควรเสพสิ่งใดไม่ควรเสพทําสิ่งใดแล้วเป็นทุกข์ไปนานทําสิ่งใดแล้วเป็นสุขไปนานถามตรงเนี้ยถามเนี่ย อันนี้เป็นปฏิปทาที่ทำให้เกิดปัญญาได้บุญนะคนถามนี่ก็ได้บุญเห็นไหมคะท่านฟังเอ๊ะท่านคะแล้วถ้าสมมติเกิดเวลาเราไปฟังธรรมเนี่ยเราก็เห็นคนอื่นเขาถามนะคะแต่เราก็กลัวค่ะกลัวว่าเราจะถามอะไรขอพระท่านโทษนะคะโง่ๆออกไปอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าถามหรือว่าไม่เป็นไรหรอกถามอะไรก็ได้ก็ถามอะไรก็ที่เรา คื อ, คอก็ได้กุศลเหมือนกันเน่ยใช่ไหมคใช่คือลักษณะของคําถามเนี่ยมันจะมีอยู่าสามแบบเอา3าแบบก่อนน ะ, ะแบบแรกเนี่ยคือถามด้วยความลังเลเยเคลือนแกล้งทีนี้คําถามแบบนี้สมมติแล้วตอบถูกจุดเนี่ยมันจะเบาไปเลยเราจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันจะสูงขึ้นทันทีเพราะว่าเราจะกําจัดวิจิกิจานี้ได้ ค, ความลังเลเคลื่อนแกล้งนะหรือสองถามเพื่อที่จะให้เขาตอบถามเพื่อที่จะคือเรารู้อยู่แล้วอแต่ถามเพื่อที่ว่าจะ ชงให้เขาตอบอย่างพระพะุทธเจ้าถามสารีบุตรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าถามท่านพระมหาโมกขาะถามท่านพระหห ม, นะามาระหาสารีบุตรว่าอ่ะ น, น, นี่คืออะไรอันนี้คือรู้อยู่แล้วแต่ชงให้เขาตอบนะหรือในข้อที่3ถามเนี่ยเพื่อจะให้มีความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็พระพุทธเจ้ า, าเคยบอกไป อ, อยู่ประมาณ5ข้ออันนี้นเอาสามข้อเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะฉนั้นคำถามเนี่ยเราถามได้ทุกรูปแบบเอาอะไรก็ได้ที่เร า, า จ, จะเข้าใจอยู่แล้วถามเพื่อให้มีความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ทําให้คนถามได้ ได้ทั้งนั้นไม่ได้มีคำถามอะไรโง่ฉลาดหรอกอนาราก็โง่มาก่อนกันค่ะดังนั้นท่านฟังทั้งหลายคะถ้าสนใจจะส่งคำถามของท่านมาถามท่านเพบูลที่รายการของเราสันสนีสนทนาสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1เ6ร้อยหกท่านเพบูลก็เปิดช่องทา ง, งเอาไว้ที่เพียวธรรม a ค m มหนึ่งศูย์หกนะคะ p u r e dhamma.com/ ก็ดคือขีดเฉียงๆไปทางขวา ม, มือนะคะ106ก็คือหมายเลขคลื่นของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้คะ่ะท่านเพบุญคะวันนี้ก็พอควรแก่เวลานะคะเสยมานกราบน้ำรสก า, ารขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคะ่ะเสยมาน ท้านฟังที่ครบคะ่ะรายการของเราเดี๋ยวจะตั้งท่าจะแจกแผ่นซีดีที่ท่านเปียบูนได้ช่วยเป็นธุระจัดทำมาให้เป็นการบันทึกเสียงของรายการของเราเดี๋ยวประสานกับทางสถานีได้เรียบร้อยดีฉันจะมาแจ้งให้กละกันนะคะว่าท่านสามารถรับได้ในลักษณะอย่างไรวันนี้เราก็จดจําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป และถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ท่านก็นำเอาไปปฏิบัติกันนะคะแต่สำหรับตัวท่า น, นเองและท่านอาจารย์เนีคะดี๋ยวฉันว่าท่านเชื่อเช่นนั้นว่าถ้านำเอาไปปฏิบัติตามแล้วท่านฟังทั้งหลายจะได้เห็นผลในความที่งอกงามในธรรมะของทุกๆ ท, ท่านอย่างแน่นอนค่ะเรานัดพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับท่านพบูลพบท่านตั้งแต่ วันจันทร์ส่วนดิฉันนั้นจะมาสนทนากับท่านเฉพาะวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะพุทั่วสวัสดีค่ะ